วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้หลวงพ่อของพวกเราท่านทั้งหลายนะ่ะหลวงพ่อสู่เจ้านะ เ, าเลขเจ็ดขึ้นหน้าแลลวท่นนี่เจ็ดสิบเ็ดเอ็ด็ดิสองเจ็ดิบาเจ็ดิบหกเจ็ดิบเก้าเท น, <c oughs> นี่สุก็ขึ้นเป็นเลขแปดขึ้นหน้าอีกจานวน เลขหขึ้นหน้านะหายไปแล้วเดีนี้ต่อไปก็เป็นเลขเจขึ้นหน้าคนเลขเจดขึ้นหน้าเนี่ยไม่มีทางที่จะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่แก่ไปเรื่อยๆแก่ลากถูไปเรื่อยๆไปถึงไหนไปถึงปากเขวแล้วก็โยนลงเหวอันนั้นคือคือมรณะภัยคือความตายเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนะ ที่หลวงพ่อได้อายุมากไม่ใช่จะดีใจนะไม่เสียใจอีกต่างหากเพราะมันทำมาชาติมันเป็นอย่างนี้เราจะไปดีใจกับเท่านั้นเราจะไปเสียใจกับเท่านี้จะไปเสียใจให้ง้ทําไมจะดีใจให้ง้ทําไมเราต้องทำใจทั้งสองอย่างแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาหลวงพ่อเองในฐานะ ที่ลูกหลานมาให้ความสําคัญในวันเกิดวันที่27เมษายน57หลวงพ่อเห็นพี่น้องคณะชาติญาติโยมพระเนนลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายแล้วก็มีความเปิมปีติในใจ เ, เห็นความความพร้อมเพียงสมัคคีในคณะสงฆ์ในน้องนุ่งทั้งหลายคณะชาติญาติโยมทั้งหลาย ท่านประธานก็คือท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดพระราชวราธนงการเจ้าคณะจังหวัดอุดรท่านมาเป็นประธานให้เมื่อวานนี่จากนั้นก็มีตั้งแต่ภู้มีอายุพรรษาน้อยกว่าหลวงพ่อทั้งหมดแต่อายุมากกว่ามีหลายองค์แต่พรรษาน้อยกว่าและคณะสัตธ า, า, าญาติโยม ก็เมื่อวานก็าอุ่นหนาฟ้าข้างแต่หลวงพ่อคิดว่าที่สร้างวัดมาตั้งแต่ตั้งวัดมางานทุกงานก็เมื่อวานเนี่แหละรู้สึกว่าคู่คนทั้งหลายออมากที่สุดพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดนะคณะสัทธายาดโยมลูกหลานถ้าเรามาจัดจุข้างในเนี่ยก็คงจะแออัดพอสมควรใกล้ๆว่า ไ ม, ม่มีที่ไปที่มานเนี่ยทเราคิดออกไปทำที่นู่นไปจัดที่นู่ น, นคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อเอือถ้าใครจะตาหนิว่าหลวงพ่ออินมักใหญ่ไฟสูงหรือฟุมฟ่มเฟอก็คงจะพูดไม่ออกเมื่อวานเนี่ยตเห็นแล้วนะแต่เห็นคนมาในงานแล้วเพราะว่ามันถ้าเอามาข้างในกน็คงจะแออัดอย่างมากแต่ถึงอย่างไรก็นั่นแหละผ่านไปแล้วเมื่อวานเนี่ย จบไปแล้วก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไหลรื่นไปด้วยดีพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็ให้ความสำคัญแต่เมื่อวานก็ได้แจกหนังสือที่ทางคณะรถไฟพิมพ์มาแจกเรื่องของกรรมแล้วก็หนังสือสวดมนต์แล้วก็ mp3 ของหลวงพ่อตามไม่จริง M-P3 สของหลวงพ่อเนี่ยก็แจกมาหลายยุคแล้วล่ะแต่หลวงพ่อก็ยังพอใจในการแจกอยู่เพราะว่าหลวงพ่อฟังดูเนื้อหาสาระที่หลวงพ่อได้พูดใน Mp3 สหลวงพ่อว่าท้าววันลูกหลานจะถือเป็นคติตัวอย่างก็ไม่ได้ด้อยเลยไไม่ได้ด้อยไม่ได้เสียหายไม่ได้ฟังไปเพื่อ สนุกสนานเพิดเพลินเพิดเพลินเฮฮาฟังเป็นเครื่องเป็นเครื่องสำนึกแล้วว่าเรื่องนึกคิดแล้วว่าเรื่องนำไปประพฤติธปฏธิบัติกับตนเองได้ถ้าเราฟังด้วยดีนะเรื่องเนื้อหาสารธรรมะให้อยู่ในนั้นวันนั้นหลวงพ่อเองจริง้จัดพิมพ์ด้วยว่าจัดทํา MP มสแจก ข่าวนี้ต่อถามถามเสียต่อมรูก็หมดไปเกือบสี่แสนเหมือนกันนะูกหลานนะเฉพาะ MP3 นะแต่ก็ไม่มีอะไรจะตุปปัจจัยที่ได้มาหรือว่าภูมีมาปู้มาสมทบมาหลวงพ่อก็เอาเอาไปให้มันเกิดประโยชน์สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมแต่หลวงพ่อว่าให้ธรรมะให้ทรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว่อย่างนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดก่อนที่จะแจกหลวงพ่อว่ า, าถ้าให้เงินให้สมบัติไปหลวงพ่อก็ไม่รวยที่จะให้ลูกให้หลานถึงขนาดนั้นถ้าให้ก็ต้องให้มากจนตั้งตัวได้หลวงพ่อก็ไม่รวยถึงขนาดนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อให้ธรรมะ เอ3ชุดหนึ่งก็ไม่กี่เงินประมาณ 3-40 บาทนี่แหละหลวงพออ่อให้แนวความคิดกับคณะสัทยาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์กว่าที่ให้ทรัพย์สมบัติเล็กๆน้อยๆอยเมื่อเล็กๆกน้อยกินไปแล้วหมดก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งก็ไม่พอแล้วจะให้ธรรมะแนวธรรมคำสอนเนี่ย พวกเราเปิดเวลาไหนฟังเวลาไหนก็เป็นเครื่องชี้นำชี้แนะทางด้านจิตใจหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์กว่าคนนั้นหลวงพ่อจึงได้ทำา MP3 แบบง่ายๆแต่พิมพ์หนังสือก็เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ก็มีผู้ทาอยู่หนังสือแปลออกมาเป็นเล่มๆ เ, เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ฟังเพื่อการศึกษา คนเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการศึกษาต้องการต้องอาศัยการเรียนรู้ในหลักธรรมที่หลวงพ่อยกและยกอีกใ น, นสงแห่งการฟังธรรมแล้วก็สุดธรรมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาตั้แล้วแต่อาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องได้แจก MP3 เมื่อวานนี้ แต่ว่าการแจกเอ็มพีสามเมื่อวานในหลวงพ่อก็เอาบันทึกความทรงจำของข้าพเจ้าในงานพระราชทานเพลิงสริระของหลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อไปพูดก่อนที่จะถึงวันงานเดือนกว่าๆแล้วก็หลวงพ่อเอามาเอาของหลวงอาด้วยไงหลวงปู่จามมหาปุญโญที่หลวงพ่อไปร่วมงาน หลวงพ่อก็ได้เอาประสบประการของของหลวงอาเยถ้าจะว่าไปแล้วก็มันคล้ายๆกันแต่เป็นคนละแนวในงานของหลวงปู่จามหลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อว่าลำลึกถึงหลวงอาจามมหาปุญโญอันนี้ก็ให้ฟังๆดูนะมีเนื้อหาสาระหลายๆอย่างอีกเหมือนกันที่หลวงพ่อได้ไปพูดและไปจัดงานใน งานพระราชทานเพลิงศรีระของหลวงอาของหลวงปู่จามที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจึงมี MP ็สออกชุดนี้6แผ่นของหลวงพ่ออบรมตอนเช้า4แผ่นตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าต่างกลัมต่างวาระสนะี่แผ่นแล้วก็ของหลวงปู่จามอีกสองแผ่นเป็น6แผ่นของหลวงตาอีกสองแผ่น เป็นแปดแผ่นรวมแล้วเป็นกล่องนะแปดแผ่นหลวงพ่อมั่นใจว่าเมื่อลูกหลานคณะัทธา ญ, ญาติโจมฝั่งจะเกิดประโยชน์หลวงพอ่อจึงได้ลงทุนลงทุนเพื่อให้ผู้ได้ยินได้ฟังนำไปประพฤติปฏิบัติได้แต่หลวงพ่อต้องการอะไรก็ไม่มีต้องการอะไร มีแต่ต้องการเผยแผ่ทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้รู้มีประสบปปการณ์มาอย่างไรเราก็จะได้เผยแผ่ขายายผลให้ผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังได้เรียนรู้ถ้าหากว่าหลวงพ่อพูดไปไม่เข้าทำนองคลองทำหรือว่าผิดหลักธรรมวินยัยหรือว่าผิด พระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนารำคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเบนเออทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเพื่ออย่างอื่นหลวงพ่อก็คงจะได้รับการทวงเต็งจากไม่ฝ่ายใดก็ต้องฝ่ายหนึ่งละโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงฝ่ายสงผู้ท่านถือตํารับตาราท่านคงจะทวงเต็งมาแต่นี้ก็เราก็แจกถวายไปทุกหัวละแหง่ง ก็ไม่มีใครที่ทวงติ่งมาที่ผ่านๆมานะานะไม่มีใครทวงติ่งมาก็เงียบๆอยู่มีแต่สมัยใหม่ๆนะใหม่ๆเราแจกไป MP ็สก็ไม่ได้เป็นตุเป็นตากคนทั้งหลายกันนหะลวงพ่ออินแข่งหลวงตาอย่างนุ้นอย่างนี้มีบัตรชนเท่นะหลวงพ่อเอาไม่ได้แข่งแต่ตงหลวงตาก็พูดอยู่ที่นู่นอยู่ที่บ้านตาด หลวงพ่อิอ็นอยู่ที่นี่จะไม่ให้พูดอะไรเลยเหรอจะให้รุมไปฟังหลวงตาองเดียวอย่างนั้นใช่ไหมทำไมคิดโง่นักหลวงพ่อกะว่ามันผิดที่ตรงไหนที่หลวงพ่ออินพูดไปเนี่ยมันผิดที่ตรงไหนคำไหนที่มันออกนอกรูนอกทางคำไหนที่มันไม่อยู่ในหลักธรรมวินยัยคำไหนที่พูดไปแล้วยกย่องตัวเองเหนือกว่าครูบาอาจารย์เยยบย่ำทำคาสอนมีไหม ถ้ามีก็บอกมาสิจุดนั้นคำนั้นเราก็จะได้น้อมรับเค า, ารพคารวะผูดทวงติ่งมาเราไม่ใช่ดูถูกเย็ดยามนะน้อมรั บ, รบเคารพผู้ที่ซีขุมชับให้เราท่านผิดตรงนี้นะพร้อมที่จะน้อมรับแต่นี้ไม่ได้เห็นไม่ได้พูดคำนั้นออกมามิเธอพูดแบบปลามๆอย่างนะพูดแบบนี้แบบโง่หลวงพ่อกรววานนอ พูดแบบนี้แบบว่าโง่มีทิฏฐิมาลนะอิจฉาท่าว่าก็ต้องชี้แจงสิอันนี้เคยมีมาแต่ท่วงล่า ง, างก็ไม่มีนะไม่เคยมีแต่ถึงยังไงก็ตามคำพูดใดก็ตามหลวงพ่อก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของหลวงพ่อเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของชาวพุทธทุกคน พุทธบริษัท4การที่จะนำสิ่งไหนออกไปการที่จะพูดอะไรออกไปเราก็ต้องระมัดระวังอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยถึงจะยูถึงจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ต้องแสดงความคิดเห็นในหลักพระธรรมวินยัยในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่าดาเนินมานี่ยละ่ะอันนี้หลวงพ่อมองอยู่จุดนั้นอยู่ตลอดเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงมั่นใจ ว่าเอ็ของหลวงพ่อเนี่ยที่ได้พูดออกไปหรือว่าอะไรกล้าจะว่ากล้าออกไปขยายหรือว่เผยแผ่ออกไปหลวงพ่อมั่นใจในคําพูดของหลวงพ่อรับรองรับประกันรับรองไม่ใช่รับประกันรับรองรับผิด ช, ชอบในคําพูดที่ตัวเองพูดออกไปทุกคําพูด ไม่รับผิดชอบอะไรยังไงเพราะมันอัดใส่ MP3 ไปแล้วแต่ทียังไงหลวงพ่อก็ให้พวกพระพวกหมู่พวกเพื่อนช่วยช่วยกันตรวจตราศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยกันตรวจดูนะพอเราจะปล่อยออกไปแต่ละครั้งนะเหมือนปล่อยเสือเข้าป่านะปล่อย MP3 ออกไปต้องคิดให้รอบคอบต้องทำให้ดีบางทีบางคําบางทีอาจจะเป็นศั์เป็นแสงที่ มันเคลือบแข็งก็ไม่ค่อยเหมาะสมก็ต้องตัดออกถ้ามีความสงสัยคำนั้นแหะต้องตัดออกเพราะมันบางทีอาจจะคนอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าเราพูดในสถานะอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ให้ชุมชนและกลุ่มของเราฟังแต่มันออกไปสาธารณะแล้วนะ่ะมันเป็นสองนะมันเป็นสองแนวสองในนะลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะก็ตัดออกพอเราไม่มั่นใจเพราะมันจะ ออกไป ช, ชุมชนสังคมนี่แหละหลวงพ่อก็ได้ไม่ใช่ว่าทำได้ถึงจะพูดไปแล้วก็จะแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยๆกันคิดช่วยๆการทำแตียงหลวงพ่อเองในส่วนเลือกแล้วก็มั่นใจอย่างที่ว่านั่นนะว่าเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนผู้สนใจฝ่ายในธรรมและมีเสียงสะท้อนมาไหมอันนี้บ่อยมาก ท Menschen, ีเดียวทั้งเมืองนอกเมืองในทั้งต่างประเทศเขาก็ตอบจดหมายมาบอกว่าได้ฟัง uh, ทำของแนวความคิดของหลวงพ่อเนี่ย uh, แบบง่ายๆเข้าใจได้ง่ายภาษาใช้ภาษาง่าย uh, เสียงชัดเจน uh, อันนี้ก็มีผู้ตอบรับมาพอสมควรนะ uh. ถ้าไม่งั้นหลวงพ่อก็คงจะไม่ให้ทำแต่ทำไปแล้วก็มีแต่ ไม่มีเสียงสะท้อนย้อนกลับมาเนเหมือนกับตัวเองมีแต่ว่าตัวเองเก่งเ อ, อเหมือนกับนักร้องนักรำทั้งหลายเ อ, อพอตัวเองร้องเพลงขึ้นมาร้องรำทําเพลงขึ้นมามันเพลาะมากน้ําตาหลั่งน้ําตาไหลแต่ไปถามคนอื่นเขาเป็นยังไงเนี่ยที่ผมร้องเพลงไปนเนี่ยเขาก็จะตอบว่าเ้ยทํำมาหอนกขาคงจะเสียงเพลาะกว่าเขาจะว่ากั้น่ะอต้องฟังเสียงคนอื่นบดด้วยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าตัวเองพูดเอาเสียงคนเดียวไม่ได้นะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละวันแต่ละครั้งพวกเราก็ทวงติ่งมาได้นะโอ้หลวงพ่อน่าจะหยุดพูดได้แล้วพูดไปพูดมาก็วกคนเวียนไปมาไม่เกิดประโยชน์หลวงพ่อเนะหลวงพ่อก็จะหยุดแต่หลวงพ่อถามถามใครในบรรดาลูกศิษย์อาจจะเอาใจหลวงพ่อก็ไม่รู้อ่ะมีแต่เป็นกองเชียร์ให้ว่างั้นใอ่หลวงพ่อพูด ดีมีคติขอให้หลวงพ่อพูดต่อไปเพื่อจะได้ให้เป็นแนวความคิดสําหรับลูกหลานทำไม่พูดจะเลยก็อย่างไงอย่างไงก็หมดหมดทุนทุนห้วนไปนี่แหละหลวงพ่อก็มาเห็นจุดนี้อีกเหมือนกันพูดรือไปพูดพูดดีไหมบางคนไม่ต้องพูดมากแต่หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าว่าพูดเป็นศีลเป็นธรรม ถ้าพูดมากมันก็ดีเพื่อการศึกษาท่านทุกคนไปยืนเรียงแถวกันสิไม่พูดเข้าไปห้องเรียนก็ไม่พูดครูก็ไม่พูดนักเรียนก็ไปยืนเราคิดดูสิมันจะเกิดประโยชน์ไหมเด็กเรียนจะได้ปัญญาไหมถ้าครูไม่สอนพระพุทธเจ้าไม่เทศสนาว่าการเมื่อท่านได้ตัดรู้แล้วพระพุทธศาสนาจะยืนยาวมาถึงขนาดนี้ไหมแต่หลวงพ่อว่าเนี่ยมันไปหน้าเดียวกับโง่อีกเหมือนกันนะั่นะ เพราะอะไยเพราะว่าการแนะนําสั่งสอนมันกด็ดีถ้าพูดเป็นศีลเป็นธรรมเป็นแนวความคิดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่หลวงพ่อเนี่ยเชิดชูบูชาในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดตรงพ่อเป็นเน้นน้อยกัอยู่อยู่กับหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าพูดกัท่านก็พูดแบบซ้ําซากนะหลวงปู่ล่าเนี่ยย้อนแล้วย้อนอีกย้อนแล้วย้อนอีก เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นแต่เรื่องเกานะ่าวิจารเนะ่โอ้เป็นหลายวันแนตะ่เรื่องวิจารแต่และเรื่องนะถ้าพวกเราฟังเทศของท่านราคงจะจับประเด็นได้แนะต่เราเป็นเด่นน้อยเนะี่ยฟังแล้ยจับได้พอแรงแล้วละ่ะบางทีเดินตามหลังท่านเดินตามพูดคำเกา่าเราจะเดินแซงหน้าท่านจับแขนไว้อย่าเดินนำหน้าเดินตามหลังคือ คือพราวินัยของพระนะเราเดินไปข้างหลังจะไม่แสดงธรรมต่อคนที่เดินไปข้างหน้าให้คาว่าถ้าเดินไปข้างหน้าเราจะไปพูดธรรมะไม่ได้ปรับอวบัิทุกกฎนะเพราะนั้นท่านจึงดึงลากแขนหน่อยตามหลังเราก็ตามหลังไปนะก็ฟังในใจก็คิดไปแบบเน้น้อยหน่อยออแต่ทุกวันนี้พอมาถึงเราทุกวันเออ หลวงปู่ล่าเนท่านสอนเรานะเออเราได้ความรู้จากองค์ท่านนการวิจารณ์และการแนวความคิดใ้ปัญญามันเป็นแนวแนวความคิดที่หลวงปู่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนจริงมีประโยชน์มากที่เราได้ยินได้ฟังแต่เราจะตัดตอนตัดต่อจุดจุดไหนอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะมาตัดต่อหรือตัดตอนแนวความคิดของท่านเอามานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ย อันนี้ก็คือพื้นฐานอันดับแรกพนอะมาอยู่กับองค์หลวงตาเนี่ยหลวงตาเนี่ยไม่ค่อยพูดมากแต่ก็พูดมากในขณะที่เทศนะขึ้นธรรมะเนี่ยพูดล่ะสามวันบ้างเจวันบ้างสมัยอยู่บ้านตาด 2,112 บางทีสาวันน่นะไปชุมกันเอาไปชุมพระพร้อมกันเพิบไม่ถึง20นาทีนะทันมานะ่มาคือขึ้นมากับ น, นั่งนั่งกับเทศเลยอบรมธรรมะเลย หากปฏิบัติบางทีก็สอาชั่วโมง3า ม, ม, ส, า ม, ส, ามสี่ทุ่มตามปกติก็เลิกกัน เ, เดี๋ยวก็ไปชมาบางทีกับเรื่องเกี่ยวกับวินัยบ้างเรื่องอันนั้นนะท่านดุพระบ้งางนี่แหละเราก็เนี่ยอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือการได้ยินได้ฟังอันนี้ภาคปฏิบัติใช้ปัญญาภาคปฏิบัติในองค์ลวงตาที่ท่านสอนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้สรุปแล้วก็คือหลวงพ่อ ได้ยินได้ฟังสรุปแล้วออได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นมีประสบการณ์ของตนเองอย่างไรก็มาผสมประสานกันแหละท่านนี่เนี่ยสรุปแล้วก็คือสุดตรมย์ปัญญาจินตรมย์ปัญญาภาวนามย์ปัญญามันเข้าหลักนี้นะต่อเ น, นี้ไปรับพรณเจ น, นีหน้าหลวงพ่อเจ็ดชีพแล้วนะ่าลูกหลานนะเล็กเลจ็ดขึ้นหน้าลวนะวันนี่ต่อไปกตเจ็ด สิบเอ็ดเจ็ดสิบสองไปเรื่อยล่ะท่นี้หลวงพ่อทำไมหัวเลาะล่ะหลวงพ่อดีใจใช่ไหมโว้ยหัวเลาะเยอะๆไปงั้นล่ะเพราะมันแก่